3. เปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุดกฎของเกมกรรมประการหนึ่งคือมีนิสัยเสียใดติดตัวก็จะนาบุคคลหรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับนิสัยนั้นมาเข้าตัวทุกคนมีนิสัยเสียอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็แปลว่าเส้นทางชีวิตจะต้องเผชิญกับผลเสียของนิสัยนั้นๆเสมอลองคิดดูว่าถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุดได้ เส้นทางชีวิตจะหักเหสักปานใดคุณจะรู้จักโบนั ส, สของเกมกรรมอย่างแท้จริงก็เมื่อสามารถทำได้สำเร็จในข้อนี้เพราะกฎข้อหนึ่งของเกมคือเมื่อกำจัดอุปสรรคยากได้คะแนนจะยิ่งมากผลลัพธ์จะยิ่งรวดเร็วทันตาพฤติกรรมและนิสัยทั้งหมดมีรากมาจากความคิดฉะนั้นเมื่อปลงใจเลือกนิสัยเสี ย, เ, สยเช่นชอบด่าคน ก็ขอให้เฝ้าสังเกตความคิดเวลาคิดอยากด่าคนขึ้นมาให้รู้ว่านั่นไม่ดีตั้งใจว่าไม่เอาแค่นั้นพออย่าไปกลัดกลุ่มหาทางขับไล่ขณะเดียวกันก็ไม่หลงตามกิเลสตัวเองสติรู้ทันแบบไม่ถอยและไม่สู้เพียงดูอยู่เฉยๆนั่นเองนานไปจะเป็นสติชนิดตั้งมั่นแข็งแรงทําให้จิตฉลาด และเห็นนิสัยเสียแห้งเหือดไปจากจิตเองดุดพยับแดดที่ไม่เคยมีอยู่จริงเหมือนทุกเกมในโลกคุณไม่ได้มีเวลาเล่นมากนักคิดเสี้ยวว่าคุณเลือกนิสัยเสียที่สุดขึ้นมาเอาไว้แข่งกับความตายก่อนตายคุณอยากเปลี่ยนให้ได้เพราะถ้าเปลี่ยนได้ก็เท่ากับใช้ชีวิตมนุษย์นี้เป็นเดิมพันในการหักเหเส้นทางทั้งหมด สำหรับบางคนต้องยอมรับว่าการชะล้างความคิดเสียไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามแม้ความคิดไม่ดีอาจวนเวียนอยู่ในหัวคุณไปอีกสิบปีแต่ตลอด1ิปีนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เพียงเพราะการมีความคิดที่ห้ามไม่ได้นั้นแค่คุณไม่ยินดีกับมันไม่ใส่ใจมันไม่เหนื่อยฝืนต้านมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองเพราะในขอบเขตของเกมกรรม จะไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้อย่างถาวรโดยปราศจากอาหารหล่อเลี้ยงและสำหรับความคิดไม่ดีทุกชนิดนั้นอาหารก็คือความยิน ด, ดีความใส่ใจและกระทั่งการออกแรงต้านบ่อยๆนั่นเองหากกําจัดนิสัยเสียได้สักข้อคุณจะใจชื้นและเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นอีกบรรดาใจให้รุกคืบต่อไปก็ขอให้เลือกนิสัยเสียอื่นๆมาฟอกอีก แล้วคุณจะพบความจริงว่าเมื่อ น, นิสัยร้ายๆของคุณเปลี่ยนไปแต่ละอย่างนั้นชะตาไร้ร้ายจะค่อยๆหายไปด้วยทีละอย่างสองอย่างหรือหลายอย่างพร้อมกันในคราวเดียวอย่าหวังว่าคุณจะดีอย่างสมบูรณ์แบบในเวลาอันสั้นแต่จงหวังว่าคุณจะดีขึ้นทีละข้อแบบไม่ต้องรอนานและคุณจะเห็นเองว่าเกิดอะไรขึ้นจริงได้บ้างนิสัยเสียหายเป็นหนึ่ง นิสัยดีมักมาแทนเป็นสิบและผลพวงของความสำเร็จในการเปลี่ยนนิสัยนั้นมีมากแต่ที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของสเสน่ห์หลังจากคุณเปลี่ยนนิสัยบางอย่างสำเร็จสเสน่ห์จะเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราดเพราะคนเราชอบความเชื่อมั่นความคมคายและการเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีทันตาเห็นพลังของผู้ชนะมีแรงดึงดูดตาดึงดูดใจเสมอ คุณนิยมภาพการปรากฏตัวของผู้ชนะในเกมกีฬาอย่างไรก็จะนิยมภาพการปรากฏตัวของผู้ชนะในเกมเปลี่ยนนิสัยอย่างนั้น 4. วิชาดดบุญบุญนั้นเหมือนแสงสว่างของเปลวเทียน ขอเพียงมีเทียนไปรับตอบเลวไฟแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นได้ไม่จำกัดหลักการทำบุญด้วยวิธีอนุโมทนานั้นก็คือมีใจยินดีร่วมกับบุญของผู้อื่นใจที่ยินดีในบุญนั่นแหละคือแม่เหล็กดึงดูดบุญเข้าหาตัวถ้ามีความเข้าใจในกิริยาและค่าของวัตถุอันเป็นตัวบุญของคนอื่นอีกทั้งร่วมปลื้มไปกับเขาคือใจประกอบด้วยโสมนัสชุ่มชื่นเบิกบานอย่างแท้จริง ก็เรียกว่าได้ส่วนบุญนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยในฝ่ายเราแล้วส่วนจะได้เท่าเขาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใจเราเต็มที่อย่างเขาหรือเปล่าวัดง่ายๆคือคิดอยากทําให้เท่าเขาด้วยตัวเราเองไหมหรืออย่างน้อยอยากทุ่มเทแรงกายแรงใจกับกำลังทรัพย์ร่วมไปกับเขาไหมการอนุโมทนาบุญเต็มรูปแบบคือใจยินดีมีโสมนัตนา กับทั้งมีแก่ใจใช้แก้วเสียงเปล่งวาจาให้ผู้อื่นรับรู้ว่าจิตเราเป็นกุศลร่วมกับเขาด้วยยิ่งธรรมเนียมคนไทยมีการพนมมือไหว้ตัวบุญถ้าอ่อนช้อยน้อมจิตตนจิตท่านให้เจริญในภาพเย็นตาเย็นใจเสริมเข้าไปอีกก็เรียกว่าได้ทั้งกุศลจากมโนกรรมวจีกรรมรวมทั้งกายกรรมครบสูตรคุณจะเป็นนักอนุโมทนาตัวยงในเรือวัน ด้วยอาการครบพร้อมดังกล่าวนั้นผลของการแสดงออกทางวจีกรรมและกายกรรมจะทำให้เป็นผู้อาจหารในการประกาศบุญมากกว่าเก็บเงียบซุ้มเสียงของคุณจะน่าฟังสำหรับเจ้าของบุญมีส่วนทําให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจกระชับมิตรกันและเป็นการปรับจิตให้ตรงกันยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลข้างเคียงในทางบวกที่ควรพึงใจแบบโลกโลก กล่าวคือถ้าถึงเวลาให้ผลของบุญนั้นแล้วหากเราเจ้าของบุญได้โครจรมาทากิจการหรือธุรกิจร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันผลกำไรก็จะเบ่งบานอย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์ทั้งที่เมื่อจับคู่เข้าหุ้นกับผู้อื่นก็ไม่เห็นออกดอกออกผลเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ตามคุณจะอนุโมทนาไม่เป็นถ้าทำบุญไม่เป็นไม่รู้จักปิติโสมณสอันเกิดจากบุญ พูดง่ายๆคุณต้องมีทุนเดิมอยู่ก่อนระดับหนึ่งจิตจึงจะมีความสามารถรับรู้เข้าใจและเข้าถึงบุญคนอื่นแบบเต็มๆแต่ฝึกอนุโมทนาไว้ก็ไม่เสียหลายคิดซะว่าของฟรีดีกว่าทิ้งเปล่าอย่างน้อยที่สุดคุณประกรันตัวเองว่าไม่นึกดูถูกไม่นึกอิจฉาตลอดจนไม่นึกขวางทางบุญของใคร ห้าทำมาทานเกมกรรมเปิดโอกาสให้คุณทำทานเอาบุญได้หลายแบบเช่นทานคือทรัพย์หมายถึงบริจาคทรัพย์ส่วนเกินเป็นประโยชน์แก่ผู้สมควรจะได้รับทานคืออภัยหมายถึงสละความผูกใจพยาบาทเพื่อตัดเวรระหว่างคุณกับคู่เวรทานคือเวลาหมายถึงสละเวลาให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้เหงาหงอยทานคือแรงงาน หมายถึงสละแรงงานช่วยเหลือผู้ต้องการทํากิจที่ต้องลงแรงทานคืออวัยวะหมายถึงสละเลือดหรือบริจาคอวัยวะใดๆในศพของคุณให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รอคอยทานคือการแนะนําหมายถึงการชี้ทางออกหรือใช้สมองช่วยคิดแก้ปัญหาที่ผู้อื่นคิดไม่ตกทานคือความรู้หมายถึงเนื้อหาเชิงวิชาการหรือศาสตร์อันทําให้ประกอบอาชีพเอาตัวรอดได้ ทานคือธรรมะหมายถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัจจะทั้งเรื่องของกรรมวิบากและวิธีแก้ทุกข์ในบรรดาทานทั้งปวงทานคือธรรมะชนะหมดคือคุณให้อะไรก็ไม่เท่าให้ธรรมะเนื่องจากธรรมะคือความจริงเมื่อคนรู้ความจริงก็หูตาสว่างรอด จ, จากนรกรอด จ, จากความเป็นเดรัจฉานรอด จ, จากความเป็นเปรต กับทั้งสามารถแสวงสวรรค์นิพานตามอัธยาศัยและกำลังใจหากคุณให้ธรรมทานที่ถูกต้องตรงจริงและเป็นความจริงที่สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้รับให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะรู้สึกสว่างทั่วและเกิดเรื่องดีๆมากมายตามมาอย่างรวดเร็วชีวิตคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน ธรรมทานอาจเป็นการพูดชักชวนโน้มน้าวหรือชี้ทางสว่างให้แก่ผู้หลงติดอยู่ในวังวนทุกข์ตามวิถีทางของเขาโดยตรงแต่ก็อาจใช้วิธีมอบสื่อธรรมะอื่นๆเช่นที่ปัจจุบันมีทั้งเทปซีดีและหนังสือให้เลือกมากมายหากเป็นสื่อธรรมะที่คุณใช้กับตัวเองได้ผลแล้วคุณมีความอิ่มใจและอยากมอบให้ใครๆแล้วก็จะปรุงแต่งจิตให้เกิดโสมนัสแรงได้ เพื่อประกันว่าคุณไม่ได้ให้ธรรมทานแบบด้นเดาควรศึกษาหาความรู้จากพระพุทธเจ้าให้ดีคำสอนที่น่าเชื่อถือที่สุดว่าเป็นของพระพุทธเจ้าบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและหากคุณพบว่าพระไตรปิฎกฉบับเต็มมีความหนาเกินกำลังก็ลองหาอ่านพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนซึ่งเป็นย่อความพระไตรปิฎกให้เหลือเพียงกระชับสั้นของอาจารย์สุชีปุญญานุภาพดูได้